รร ม, มาของภูริเจ้านั้นคนทีมกันอยู่กับเราหมดเนี่นเวลาปฏิบัติเราก็ยกโลกกายเวทนาจิตธรรมขึ้นม า, านนในสติประทาเงื่อนนี้หมดแท้จริงเย่า น, นันนะเป็นคำบอกเรากันมาเรรู้กันจำหลัง รวมลงคันห้าต้องพิจารณาขันห้านี่แหละคนละลขันห้านั่นแหละคันต้องพิจารณาขันห้าต้องแยกรูปแยกขันแยกรูปแยกน้ำออกซะก่อนอก็อได้มันพะมันติดมันหยุดติดจนจนมาสร้างขึ้นมาเนี่ยอเออ เป่ตัวเองสร้างแต่ไม่รู้สร้างขึ้นแก็มารู้แล้วล้วนะเพราะนนหน้ายังไม่เห็นเลยเนาะ <c oughs> ม, มีใครเห็นเห็นหน้าตัวเองไหมไม่เห็นเนาะคนเราเนี่ไม่เห็นหมดทั้งตัวนะเนาะเนกี่เปอร์เซนร่างกายเนี่ยเห็นหมไม่เห็นหมดเลย เห็นไม่ได้ถึงม่ได้ถึงครึ่งเลย <c oughs> แตบใจใใจใจวงยิงิงไปหยุ่นข้างในคนยิ่งไม่รู้ไม่เห็นเลยอันนี้ระบบสัมผัสเห็นแน่ๆได้ให้ดูด้วยตาปัญญารักวแล้วมเจ้าให้ดูด้วยดูด้วยตาปัญญาสร้างสร้างปัญญาขึ้นมาเจอคนจิงตามก็ไม่เห็นหรอกมันไม่ใช่ท่านรู้อ เวลาข น, นตาข้างบนข้างล่างคือใกล้ตามยังไม่เห็นใช่นะมีกี่ขนยังไงเออมือใ no? ครรู้เนาะขนตามีได้บางคนจะไม่รู้เลยว่าโอยฟันอยู่ในปากมีกี่เล่มไม่เคยไม่เคยไคยปนึกถึงมันมีกี่เล่มจริงไหมเนาะนั่นเป็นนัน ของบุญเส็จเ้าธเหตเ้พระพุทธเจ้างแ ล, วงแลบวดให้กรรมฐานห้าก่อนอต่อจากปัญจกักกรรมฐานก่ อ, อนบวดให้ก่อนบวดเลยนะนอสออยูพิจารณานะเออเริ่มจะบวดเป็นเนี้ไม่ก่อนแล้วอสอนแล้ว กีตาร์โลมานะกขนาดนั้นไม่นีทำไมไม่ให้หมดหหลายไม่ได้เอาไอ้สำคัญสาคัญเนี่ยคนทั้งโลกสัตว์โลกทั้งหลายสัตว์ตัวไหนก็ช่างพวกนกพวกหนูพวกสัตว์ทั่วไจริงก็ ปวดขนเหมือนไก่มันปวดขนมันสั่งความสมบูรณ์อาจขนมันสวยเห็นไหมล่ะคนยังไปรชอบเลยอเห็นเลยเนี่ยวะอย่าไว้หนวดนะนั่นนี่พระไม่ไว้หนวดอืก็เป็นปกติแหละคนพวกแขกเขาเขาไว้หนวดกันทั้งนั้นใี่ไนห น, นวดหนวดกัน อือปวดขนกันผมปูเรื่องใหญ่ไม่ใช่ธรรมดาเลยหมดเงินเพราะผมเนี่เท่าไหร่เนาะขนคิ้วก็หมดหมดเท่าขนคิ้วเท่าไหร่นี่ก็เป็นสำคัญไปติดมันมาอวดกันมันเป็นกิเลสผมขนเล็บ เนียโอ้ดีมะก็แต่งเล็บมาเล็บมะอวดกันอย่ามันเป็นสำคัญเล็บอย่นะ้ว่ามันสวยมันงามหนังขาวหรือดำหนึ่งเอาอีกเลนะบดีดมันสำคัญเออเขาบดีดอยู่แค่นี้แหละฟันก็ไม่ใช่ธรรมดานี่นู้ น, โ, นโทหมอฟันนี่ต้องโอ้ย หากินกับหากินกับปากคนนี่ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วเนาะค<ม>่าประจำเลยบางคนนะนี่พรมคนเยรยกว่านัง<ม>ความจริงไงพิจามมยกขึ้นมาพิษาณาไม่ต้องเอาอะไรให้ใช้เยอะของของอะไรอย่างนี้ชอบอย่างไหนมันถนัดอย่างไหนจริตมันจะมันมันมันชอบแบบไหน ตัวจริตของตัวเองจะรู้ไม่ใช่เอาไม่ใช่เอาหมดบางเรื่องบางอย่างบางบางบางมณ์บางกรรมฐานอือเรื่อนึ่งอารมณ์ของกรรมฐานเป็นอารมณ์เป็นที่สบายธรรมะเป็นที่สบายภาษาภาษาเขาเป็นที่สบาย ภาษาทำว่าสบายอืมคืออ่ำนวยไหนนะว่ากันนะ้งต้องรู้ตัวเองอีกเล่นไปเล่นมาถ้าเอามองมากก็ต้องรู้อีกว่าเออมันมันมันมันมนติดนะเนี่ยกิเลสมันถือเอาอีกอืมก็ผิดอีกอยู่นี่นนั่นอยู่เวลาปฏิบัติธรรมเนี่นะกิเลสมันมาถือเอาอีกเข้ามาด้วย อมันกําลังมีกิเลสเพราะกิเลสไม่รู้ไม่ว่าจะปราบมันมันก็มาบาปก่อนใช่บาบมันก็บาปนั่นบาปภาษามาเรียมบาปปับปอป า, ป า, ปามันเป็นภาษาเราบาปนรก ออ พ, พอภาษาพภาษาบาลีมัมก็บอกป่าป่า ป, า ป, าปาั๊มเลยปราบก่อนเลยเนาะ อ, อยู่ ใ, ใกล้ๆเนี่ยเห็นนั่นถึงว่าในหมวดสธิปัฏฐานถึงบอกไว้ละระวังนะระวังระวังระวังระวั ง, ว ง, ว ง, วงทิฏฐิคือความเห็นผิดฮึ่ ระวังตัะหาคือความอยากระวังทิฏฐิตัญหาอืมเข้าไปถือเอาเห็นไห ม, มสำคัญตัวทิฏฐิตัญหาเข้าไปถือเอ า, เ ม, ม, า, ม, ม, ามันทิฏฐิก็ทเป็นวิชาทิฏฐินะมันชะมาชำมาทิฏฐิภายในระวัง ตัวสำคัญด้วยตัวทิฏฐิเถิดด้วยนะตัวกิเลสสำคัญสำคัญเลยมันอยู่ในองค์มากนุ่นตั้งแึงโยกสมาธิถีขึ้นไว้กลับกันอีกแล้วเป็นมิชฉาทิฏฐิกันหมดแล้วน่มันเข้าไปอยู่ันเกิดปฏิบัติธรรมล่ะ มันจะมาที่สมถาวิปัสนามูดวิปัสนาอ่อนมันเข้าไปถือเอาอยู่นู่นในวิปัสสนูนในวิปัสสน์อืมมันเข้าไปขนาดไหนแล้วนะมีหลวงเรียนนั้นมันเข้าไปแล้วช่วยแก้ไม่ได้แก้ยากได้ไปหาครูอืมมันต้องหาครูเด่นะ่ะ เว้นแต่เจ้าตัวเองนั่นจะใช้หลักปัญญาในนี้เคยฝึกคนอบรมมาไหมเคยใช้ครูไหนอีกเป็นครูของเราเมื่อแล้วอีกถวาสนาบารมีคเคยบำเพ็ญมามันไม่เหมือนนั้นถ้าเป็นเหมือน นอนรักะขนาดรักะมูเนยะปฏิบัติท่านท่านบัณฑบินเฉพาะทางข้อปฏิบัติมูเนยะปฏิบัติยังไงพระเจ้าสอนรู้จักจริตแล้วองค์นี้เฉพาะพิเศษเลยบอกวิธีปฏิบัติอย่างงั द, ้นยังงั้นไปเลย อย่างนี้ไหมเมื่อคืนมาถามอีกเลยอันนั้นมันพิเศษร่มไม้ร่มหนึ่งก็ไม่นอนคืนที่สองหมู่บ้านหนึ่งไม่บินทบาดซ้ำเป็นวันที่สองไปเลยมีแต่ไปกับไป ม, มันเป็นระบบทรมานทรมานกีเลตมาให้ติดที่ ไม่ให้ตีใครเลยนอศึกษาพระพุทธเจ้าแวยังยังยังยังไม่ได้กลับมามาศึกษาอีกมันเป็นจถลีมันเป็นบารมีเหนือนั่นแหละพระนารานี่เมื่อแมต่เม้แต่ปรินิพานก็ยืนโอ้ยืน พูดภาษาบาลวายุนใจมันไม่มีมันไม่มีในในในประวัติสาวกสาวกทั้งหลายบรรดามีก็มันมีใครจะทําอย่างนั้นมีองค์เดียวพระพุทธยอดเดชองค์ก็มีมีมีผู้ปฏิบัติมโนเยะมีองค์เดียวเท่านั้นไม่มีสองอย่างเงี้ยเนี่ยนั้น สำหรับเราก็จะไปถอดแบบก็ไม่ได้ได้ได้ถ้าจะทำก็จะทำได้เกดหนึ่งคันลองนิดนหน่อยหน่อยเท่านั้นมันไม่ได้มาผิดมาเห็นนั่นแหะอย่าไปยึดติดเห็นนั่นคือคำรวมมพนว่า อย่าไปอย่าไปยึดติดในธรรมอย่าไปสําคัญในธรรมถ้ายึดติดแล้วมันต้องวางไปหมดถูกข้อใดอีกละ่ะไม่เสมอไปอีกเลยนะมันยังไม่มันยังอาศัยอยู่ต้องต้องต้อ ง, ต, องต้องอาศัยเหมือนเหมือนทําสมาธิต้องกําหนดอยู่น่นละ่ะให้อยู่จมูกนี้ ทรอยู่ปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันเจอุบยอุบยเกิดสมาธิมันช่างงมากก็เป็นเป็นจริตอีกละที่นติดอีกต้องตัวเองต้องต้องรู้จากตัวเองอีกนน่ะเมอมันติดแล้วมันแก้ยากอออย่าง้ใหม นี่เราไปขอสมาธิติดสมาธิได้ฌานติดเนี่ยเเคยได้ยินลงพุทธหลวุทธนั้นติดฌานโอเคไม่ได้เลยต้องตามหาหลวงปูมั่นอ่านประวัติเนาะดเคยเกิดแบ่านนมีอีกหลายองค์มันก็เลี้วแต่นั่นเนี่กรรมคำเดียวถ้าทำ ถ้าทับมันเบรรจริลดมัน ม, มาหลายพวกรายชาติเออทนี้นั่นต้องสมาธิกับปัญญาต้องไปคู่กันต้องปฏิบัติไปคู่กันให้สม่ำเสมอเช่นบอกวยอย่างนี้ใช้ ส, สัพหกรรมไปคู่กันอย่าให้สมาธิกับปรรัญญายิ่งหย่อนกว่ากัน ให้เชือมกันแล้วอบรมกันไปนี่โดนได้สำหรับนี่นะแต่ที่นี่นี่ยก<ม>็ อ, อาศัยปัญญาอาศัยเซตเบื้องต้นพื้นฐานของธรรมดานี่ต้องอาศัยสัมสติสัสมปัญญาต้องฝึกอืมต้องกำกับกันไปใช่ไหมนั่นนะ ก็บกห้่องในก็บกห้่องอยู่แล้วตอนกำลังฝึกใหม่มเป็นธรรมดาคนไม่เคยฝึกคนไม่เคยเดินทางมาก่อนอนรานนี้นนก็ต้องลงทางเนาะเป็นธรรมดาหัวทางไม่เคยไปเว้ยพิจะนาะนี่เปนถามล่ามนะรังเกต ทำไมงั้นล่ะหลวงเหตนั้ น, นพระพุทธเจ้าถึงระบพบของพุทธศาสนาเนี่ยที่เหตุนั้นถึงมีผู้บำเพ็ญมาเป็นบรมคูคือพระพุทธเจ้าเมืม่อเหมือนพระบเจกับพบรุทธเจ้พพพาพระบเจกับพบระพุทธเจ้าบำเพ็ญเอาใครเอามันอันนั้นเฉพาะเฉพาะ ปัจเจักะจำเพาะรู้เฉพาะจำเพาะไม่ต้องรู้ไม่ต้องรู้มากแก้ไขปัญหาของตัวเองกำจัดกิเลสของตัวเองเฉพาะแล้วก็จบไม่ต้องไปศึกษาให้มากจะออกาปหลากหลายสารพัดไปเผื่อผู้อื่นไม่ เหนปฏิเจกัดปฏิเกับพระพุทธเจ้าถึงถึงถึงถึงเป็นเป็นพระพุทธเจ้าหลายองค์แต่เสือนอุ้ยกันหลายองค์เป็นยุคเป็นสมัยสำหรับพระพุทธเจ้ามีองค์เดียวไม่มีสององค์หลกักกรมันจัดสรรลงตัวมาอย่างนั้น สำหรับพะเจกับพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้สอนใครมันไปแย่งกันไม่ได้แย่งลูกศิษย์ใครต่างคนต่างต่างคนต่างลูกก็จบรู้ด้วยกันแล้วก็ต่างจบแล้วไม่สอนใครเลยสินะนี่จริตจริตของขอ ง, ของผู้ปฏิบัติสำหรับพอะ ปริยสากโลกทั้งหลายคือมิจริตลักษณะเดียวกันก็จริญนิพพาสนาจริญนิพพาสนาร้วนพระราหันสีสุขาพิปัสสโกเตวิโชชลาปิโนปฏิสัมพิทัปปโตสีจำพวกมันสีจำพว ก, กนั่นพระาราหันไม่เหมือนกัน จะจะจะมไม่ใช่พระอรหันต์จะไปจะเสมอเหมือนกันหมดจะไปรู้ทั่วถึงทั้งหมดไม่ใช่เหตุนั้นละ่ะผู้เจริญนิปัาสนาลวนมันจะมันจะโค้นขวา้าปัญญาเอาไปใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะ ค้นหากิเลสของตัวเองแล้วก็ฆ่ากิเลสของตัวเองแล้วก็จบเมื่อในศึกษาให้กว้างขวางเมื่อมีความรู้กว้างขวางแตกฉานนะนะเดี๋ยวนี้เมื่อสอนแต่ตัวเองนี่ลักษณ ะ, กะใกล้กับเปรเียบกับผู้เจ้าเออ จะไปสอนผู้อื่นก็ไม่มีธรรมะกว่างขวางก็เอายกชั้นเรื่องของตัวเองมาว่านี่ไหมท่านท่านท่านลักษณะก็เลยอยกจะขอกราบคารวะครูบาอาจารย์ไอ้ลูกผู้สาวท่านมีจิตปัฒนาเพราะไปเจกกับพุทธเจ้า จะเป็นพระะเจ้กับพระพุทธเจ้าเลยไม่ได้พูดทำมาเยะอาเนี่ยมันไม่แตกฉานมันเหมือนลูกบุญมันนาะปานาพุทธภูมิ่อือต่างกันเดี๋ยวนี้นลูกปุมันตึงๆอุ่วนทำมาเก่งมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนี้มันเนมันไปไม่เหมือนกัน แต่ว่าท่านทั้ ง, งสององค์ท่านกันมันยังไม่แก่กล้ามันเพียงแค่อันนี้จะโพธิ์ทิศอันนี้ยัตะแปลว่ายังไม่เคียงแท้แน่นอนอ ม, มันยังไม่แก่กล้าก็สละได้ ต้องสัตว์ใหม่ต้องสัตว์ใหม่เออก็ดูจิตนี่ละหมดอ่ะตอวกำหนดกำหนดพิจนาว่าโอ้เป็นยังไงยังไงยังไงยังไงถ้า พ, พอพอพธิสตัตว์เนี่ยต้องบำเพ็ญไปอีกยาวไกลมีอะไรบ้างจนจิตมันว่างมันละได้ ก็สละอุปทานมันยึดมั่นนั้นเป็นหนึ่งนู่นหละกรรมไม่ใช่ธรรมดาเหตุนั่นนั่นในพานภาวนายังมาข้องอยู่เลยโอ้มันติดอะไรเออมันติดสัจจาธิษฐานตั้งเอาไว้นู่นนี่มันเป็นกรรมอือมันขวางอยู่เลยภาวนาก็ไม่ไปไหน มือนมันจะเอาพระพุทธเจ้ามันจะเอาแอะทบเทเจพระพุทธเจ้านั่นน่ะอืมนนน่ะมันปล่อยตามมันปล่อยตามหลักกรรมก็จัดสั้นลงคำตัวเดียวอันนี้ยกตัวอย่างสําหรับเรานช่นะเราเนี่ยมนุษย์จะเอาอะไรมาเป็นเป็นแอะเป็นบรรทฐานเนาะก็งูป่าเนี่น่ะ พูดย่าไงบอกปั๊มป ah like Eat, fit, ั๊มเื่อก็ว่าก็ได้นอว่าจะเอาอะไรล่ะยังไม่แน่นเห็นไหมใช่ยอมรับเนยังไม่แน่เลยอืออือจะเป็นนิพพานตามที่ผู้เจ้าสอนได้ไหมเออเงินมุนทิดๆๆอือถวายอาหารเมื่วเนี่ย ไม่เอาอย่างอื่นเลยล่ะเอาวัตถิาลเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมเหิดนั่นละ่ะถ้ามันไปดูระดับไหนแล้วมันไม่ค่อยเป็นไปอันนั้นไม่ว่าเหิดนั่นละถ้ามม่จริงจริงก็ไม่ได้ละเพราะว่าคำสอนผู้เจ้าทั้งหมด มันมีอยู่สามข้อใหญ่ๆมากุศลถ้าทำระดับธรรมดาธรรมดาเนี่ยก็ได้มนุษยสมัตินมาไนนมา น, น ม, น, ม น, นุษยสมบัติสวรรคสมบัติพวกเทพนิพพานสมบัติสมบัติทั้งสามนี้ให้เลือกเอาจะเลือกหรือไม่เลือก แต่ถ้าทำแล้วที่นะ่ะระดับล่างไม่มีปัญหาแล้วกรสินให้ทานก็มาได้มนุษย์สมบตัติเออมันเยอะหน่อยก็ขึ้นไปสวรรค์สมบตัติสวรรค์ระดับไหนมันก็มีออมาุูมเทพลูกคาเทพเจวดาก็หยุดในโลกนียสูงขึ้นไปกับไม่แน่คุณ่าจะรู้เนาะเรื่องวัอินเนาะ ลุ่นที่ไงพูดขนาดไปเป็นพระอินยังยังมีขอ้ขอมีคั้วอยู่เนี่ยนู่นขึ้นไปชั้นเดียวท่านั้นแหละสูงจากเนี่ยชั้นจากทุมเนี่ยสั้นจธทุมนี่มันอยู่กับเราอยู่โลกนี่มันมันจะขนาดไหนเงนั่นน่ะมันไม่อยู่ไกลอเข้าใจใชนะหพวกอยู่ลำต้นไม้อยู่อะอยู่เชิงสาหรพบภูมิอยู่ที่ไหนเต็มไปหมดเลยเนี่ปนกันอยู่เนี่ยอย่าเงี้ยเวลาทาบุญเขาก็มาทําด้วยอย่างไงี อือ๋วเรามาไหว้พระเนี่ยเมื่ถูกกระจิริกะใคหนึ่งบางครั้งเราก็เซิญเทมดามาด้วยอย่างนี้ใช่ไหมล่ะอืเราเห็นโอ้คนคนนี้ขยันโอ้ทำบุญเนี่เขาก็มาด้วยมาไหว้พระด้วยมีมีมีถ้ามีพระโพธิมันธานมีนี่อย่างนี้เขาเขาก็มาออืมาไหว้เราไม่เห็นนกออืเขาได้อยากได้บุญเมืากัน ในพวกพวกภูมิเทพลูกเทพชั้นอยู่ต่ําเนี่ยเว้นไว้แต่เว้นไว้แต่ระ ด, ดับครูบาอาจารย์อย่างระบายฟังประวัติใช่ไหมโอ้ที่ามาันหลายชั้นเลยเพราะท่านเป็นพระอริยะเ <c oughs> ขาเขารู้แล้วแล้วก็มาฟังธรรมนั่นแหละสําหรับเรา ที่มัตถโถก็อย่างนี้แหละถ้าทา่านม่ดีไม่มาเลยไม่มาเลยเออไม่มาเยนงนี้นนะชาวเยนท้าวไอ้พระไหว้พระแลว้วให้สมทานศีลปฏิญาณตนถึงวรรตะใจแล้วก็ให้ภาวนาต อุทิศบุญกุศลแผ่เมตตาเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาเอาทั้งหมดทั้งทั้งสี่เลยฮ hey, แล้วกับภาวนาอีกได้บุญแล้วทําภาวนาต่ออีกได้บุญแล้วแต่บุญภาวนาก็อุทิศบุญกุศลอีกเออเพิ่นกรุณาอีกอออถ้าทําปั่นนั่นแหละนั่นเทวานาก็มามาล่วงวงด้วย <laughs> พวกเขาอยากได้บุญ อือสมมุดกับเรนี่นะสมมุดว่าให้มาผู้เดียวสมมุดเหมือนวันนี้แหละให้มาผู้เดียวเขาทราบไหมไม่ขอทราเนาะนั่นเห็นไหมเออขอมูลนี่นะเข้า <c oughs> ใจนี่นะอืมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนในพระพุทธเจ้าอือแต่พระพุทธเจ้าเนะี่ยพระพุทธศาสนนะ่ะ เราจะจัดสรุผู้เดียวกวเป็นจัดสรุปเดียวไม่มีสององค์เป็นพุทธธรรมดาอืมพอจะรู้เนาะพุทธะธรรมดาอืมแล้วก็เป็นผู้ชายด้วยเป็นบุรุษด้วยผู้หญิงเป็นุือเจ้าไม่ได้ผู้หญิงเป็นพรหมไม่ได้ผู้หญิงเป็นพระเจ้จาจักรพรรดิไม่ได้นั่นทีไมถ้าอยากเป็นก็ต้อง อธิฐานมันไม่ให้เป็นผู้ชายก่อนมันเป็นระบบกรรมต้องยอมรับหละกรรมอืเนี่ยใช่ไหมมันจัดสรรมาลงตัวหละกรรมกรร ม, มนิยามแน่นอนตวนนะฮะอือจิตนิยามความจงใจของจิตเป็นเป็นกรรมแน่นอน นี่ไงอย่างมันถระนี่ยังยังพักกันมาเนี่ยก็จีพามาตัวนิยามของตัษาเรียกตัวนิยามแน่นอนเมื่อมีผู้แต่งไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้บูาเนื่องเจ้าของก็ปุ๊บดับปับกระปูปับปูปบปูปบไม่ใช่เรื่องเก่ามันก็ดับอืม ไม่ได้เกิดโดอยู่อืมหมดทั้งหลายแหละนี่ก็เกิดดับในร่างกายของเราอ้าแน่แน่มันมีตัวมีตน ม, ม, มีสรารวัตถุมันไม่ใช่นะเออ ม, มันย่อยสายลายอยู่ตลอดอื ม, มเกิดดับอยู่ตลอด ถ้ามีกล้องขยายดูถ้ามีกล้องจุลทรศน์มีกล้องขยายดูตัวคนโอโ้โหควรนออกนี้ไม่ได้เห็นจุลินทรีย์มันไหลออกม า, มาจะไม่ล่ะเม่อไี่ไม่ได้อยู่เฉยๆเลยนี่ว่ากันที่เห็นง่ายๆก็ไม่ได้หายใจอยู่นี่อยู่หายใจได้ไม่ล่ะไม่ได้เนาะ ไม่ได้ต้องสูบเข้าสูบออกเมันไม่ได้อยู่เฉยเลยเลย น, ะนี่เราเกิดดับอุปาฏะเกิดขึ้นทีต่ตตั้งอยู่ฟังค้าดับไปเร็วมากเลยต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญาญาณให้เพราะปัญญาวิปัสนาค่อยมารู้มันได้ อย่านี้พูดปุ๊บดับปั๊บเลยนี่อย่างเงีไม่ได้สําคัญละ่ะมันเป็นอันนี้จังไหมนุ่ขงขังครัวขังไว้หน้าตาไม่ไม่รู้เออระดับนี้มันไม่รู้มันรู้จะบวดทั้งนั้นแต่เห็นทั้งนั้นแต่เห็ น, น, นแต่เป็นธรรมดาของเรานี่มันก็กกดับอยู่ทั้งนั้นแต่ไม่มีไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ฝึกปัญญาขึ้นมารู้ออือความรู้ยังอ่อนอยู่คันว่า อืมไม่จิ ต, เ น, เ, จ ต, จตเนี่ยเกิดช้าจิตจิตเนี่ยจะเกิดช้าอยู่ไม่ไปติดอะไรอยู่ติดอยู่โลภะโทสะโมหะอืมมันคุมเกมอยู่จะไปรู้อะไรไม่ได้ถ้าอยากรู้ก็นั่งภาวนานโอ้โหมันคุมเกมอยู่เนี่ยเอาไม่อยู่มันพามันพาไป เ, เล่นเนาะใช่ไหมอืม นอยู่อารมเดียวนะไม่อยู่เลยอืนั่นเธอไม่อยู่ถ้าไม่อยู่นิ่งใช้คําว่านิ่งความจริงไม่ได้นิ่งนะตำหลักเนลยนะเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับแต่ว่าทีเข้าใจสินะมันเหมือนกับลมหายใจเนี่ยเขาออกเขาออกเขาออกฮะทีจิตวันทียิ่งกว่านั้นอีกสินะ อือนี่ยิ่งกิเลสเข้ามาผสมลงเราเนี่มันก็นึ่งก็ถี่สูงอีกเลยนะอืาถ้าฝูกมีปัสสนาปัญญาขึ้นมาได้อือยิ่งถี่สูงเลยสนะถ้าใครสามารถทําให้ความถี่สูงเอาไว้อยู่จมูกดี่นะอย่าไปอดีตอ น, นาคตอย่าไปนะเขามันรู้ตามปกติมันรู้สามการปัจจุบันอดีตอ น, นาคตอือนะจริงเนะี่ยคุพอรู้เนาะ เร่ขนาดฟังอยู่นี้มันยังไปเนี่ยอดีตนู่นอนาคตนู่นไม่ได้อยู่ปัจจุบันเลย <c oughs> อยืเห็นแล้วในฝึกอยู่ปัจจุบันออุบายให้เกิดความสงบนั่นคือให้อยู่ปัจจุบันปัจจุบัน อ, อารมณ์ทำมาปัจจุบันอารมณ์เนี่ยไม่ใช่ฟุตโธ อ, อย่างเดียวือไม่ใช่กําหนดลมหายใจอย่างเดียวอืม เออเอาเอาอย่างเดียวนั่นแหละถ้าอีริยาบถนิ่งให้อยู่ได้อย่างเดียวไม่เป็นไ ร, รถ้าอิริยาบทเคลื่อนไหวล่ะมันทําอะไรอยู่ล่ะสารพัดใช่ไหมให้ไปอยู่กับอิลิยาบทเห็นอาจารย์ว่าให้ฝึกอิลิยาบทก่อนเห็นไหมล่ะเพออราะ ม, มันเยอะให้ฝึกอิลิยาบทเพราะอิลิยาบถเนี่ยมันมันเยอะ ยี่บุตหลักก็ยืนเดินดนั่งนอนแล้วสีสีเรื่องนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะใช่ไหยไม่เยอะแล้วนั่งทาอะไรนั่งนี้อีกใช่ไห ม, ไมหล่ะรี่นนตรนั่งทำอะไระมีอีกเดินอะไรมีอีกใช่ไหมละ่นนน ะ, อ น, อ ะ, อละนอนอะไรอีกอหน ในซีรียบุมันมีซ้อนเข้ามาอีกนะเป็นอีรียบทย่อยอือจะให้จับอีรียบทย้อยอกีกแค่ตามปปปปปปปปปปปปปปปปปเปืปปปปปปปเปปปปปปปปปปปปปูปปปนะททยปปปปปปปปมปปปปปปปปปยปปดปปปปปปปปปปปปปอปาปปปปปปาปปปปปปปปปปปปปปปปใปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปป เออถ้าไปโมเมีอยจูอย่างอย่างอารมณ์เดียวไม่ได้นะอืมเนี่ยเนี่ยไปปรุงอาหารเนีไอ้ถือมีดไอ้ทำอะไรอยู่เนี่ยมีดก็ไม่ได้นามืออีกใช่ไหมล่ะไม่ได้คือให้อยู่ปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันจตามอีรียบทอีรียบท ย, อย่อยอืม ให้ยให้ตามกันไปถ้อิริบทนิ่งก็ให้กําหนดเฉพาะปัจจุบันเรื่องปัจจุบันนั้นนี่อห่างไรให้กําหนดอืมอิริบทนั่งอย่างไรอีริบทนอนอย่างไรหรือจะปฏิกรรมรวมมาได้เขาออกที่พูทโธนะมันก็จะเปลี่ยนไปตามเปลี่ยนไปตามอีริบท จะไปเอาอารมณ์อะไรมาให้มันกลมกลืนน่นะเนี่ยเนี่ยี่เห็นเนี่ยฉันจะว่านักปฏิบัติทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งตินไม่ เ, เอาฮุดโธกับลมหายใจเข้าออกม า, ม า, ม า, มาบวกกันพุดเข้าท้อออกพุดเข้าท้อ แต่ความจริงแล้วก็เมื่อตั้งเมื่อตั้งสติได้แล้วมีสติกำหนดนี่นีถ้าพูโทโธกำหนดได้ดีเป็นที่สบายให้ทิ้งลมหายใจถ้าลมหายใจเป็นที่สบายอืมชัดให้ทิ้งพูโทโธแล้วอารมหายใจ ให้เหลืออยู่ว่าลมเดียวความจริงเวลาทาไปแล้วทาไปแล้วมันไปจลิดเองนิสัยเองมันมันจะทิ้งของมันเองมันปเป็นธรรมชาติมมาาจิตมันเป็นอย่างนั้นหมนวนนั่งฟังอยู่ในนี่แมันได้ฟังอยู่ในนั้นบิป๊บหนีไปเลยน <laughs> ี่ไงนั่นแะ นี่างกำหนดอยนี้แหละปุ๊บพอได้สติสมัมปชัญญะกลับอารมณ์แนบแน่นกันดุดดึงเดียวไม่รู้อะไรเป็นสติไม่รู้อะไรเป็นอารมณ์ดุดนึ่งเดียวมันแนบแน่นใช่อาจารย์ใช้คำว่าแนบแน่นสติสัสมปชัญญะแนบแนัน่น กับอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวดุดว่าแยกกันไม่ได้อือนั่นใไหมปุ๊บจากนั้นมันมันก็ทิ้งเลยใช่ไหมปุ๊บเลยทิ้งลมหายใจเลยเนี่ยไปเปลี่ยนอารมณ์ไปแล้วใชนั่นใ้่ไหมอืมคณิกะตูปะจาละอั ป, ปนาไปเลยนั่นมันทิ้งทิ้งที่งทิ้ททไปเลยอืม ถ้าอยู่ในอารมณ์ฌานนี่นอืมวิตกวิตตึกตองแล้วก็ดึกตองอยู่แล้วเนี่ยเมื่อกีทิ้งเลยตึกตองทิ้งเลยวิจาร์ทิ้งเลยอไม่บางของมันเองมันธรรมชาติของเขาอืมเกิดวิตรีวิตีมันก็บางเองอืมฉุกมันก็วางเองนุ่นเข่าเอกระคาตาฉุกก็เปลี่ยนเองเปลี่ยนได้ไปอุเบกขาบางเฉยอืมอนั้ธรรมชาติเขาแต่ง ไม่ไมีผู้ปแจีงมันเป็นธรรมชาติของเขาเขาจะวางเองนั่นน่ะเหมือนฟังอ ย, ยู่นี่แหละรู้แล้วมันทิ้งเลยเข้าใจนะรู้แล้วได้ยินแล้วดับปุ๊บเกิดอันใหม่เห็นแล้วเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเมนเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้ น, น, นแต่ว่าให้ซ้ำําหวดรู้อยู่รู้ประจุน ให้ทีผู้ง่ายให้เกิดความที่สูงจะเป็นเรื่องเดียวถ้าใครสามารถทำได้อย่างนั้นแล้วกลับหมายเขาว่าที่ ท, ที่ที่พูดเว้่ะกี้ว่าให้สติกับอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวแนบแน่นถ้าใครเคยคทำจะรู้เนาะหยุดว่าเป็นอันเดียวกันจะหยุดก็หยุดไม่ได้ เออเออถ้าจะออกเออมันเป็นอไอ้นอๆๆดูกดูกดิกมันจะถอนปุ๊บออกมาเลยนั่นไม่ได้แล้วสินะเออเคยไปเนาะอือเคยๆทำสมาธินิ่งๆัินะอืมสติรรมัญชันจานเขาไปแนบ น, นั่นดูกับอารมณ์ดุ๊กหนึ่งเดียว จะถ้าปรดสติมีอะไรนไม่เคยเนาะเออมันทำให้ถึานเป็นอย่างนี้เหรอนี่เสารพัดเออทำไงลมหายใจมันจะหยุดเนาะเลยเออยังไม่ตายเลยจะสารพัดใช่ไหมล่ะเออมันจะหลุดเดล๋ยวจะจะหลุดเนี่ถ้าเกิดไปสำคัญสติสติมันจะวางเนี่ยมันจะถอนพนุ่งออกมาเลยไม่เป็นไรเนะ เห็นไงให้ตั้งสติอยู่อะไรจะเกิดขึ้นก็อนขอให้ตั้งสติอยู่ตั้งแล้ตั้งอีกตั้งและตั้งอีกตั้งแล้วตั้งอี ก, อ, กอืมาและซซ้ํา้ําและ้ําและซ้ําอือย่าไปในขณะนี้เบื้องต้นเนี่ยอย่าไปทาอะไรให้ให้ให้มากระวังระวังอย่า ก, กลัวว่ามันจะเป็นอย่างนันอย่างนี้ระวัง ยาอยากให้เป็นมันมียากเข้าไปอีกขนาะเข้าใจนะไอ้เจ้าตัวกลัวนะก็คือไอ้วิชาโมหะอืมรักษาไปร้ววัน้มีสติครับแล้วมันจะเป็นเฮอแล้วทีเนี้ยก็ระวังอีกรงอะไรเอเ อ, เอมันกลัวตายเนาะใช่ไหมกลัวจะเป็นอย่างไง ลมหายใจมันน้อยเข้ากลัวว่าลมหายใจจะหมดไปจะตายใชกลัวตายอยีกใช่ไหมล่ะอือย่าไปคิดอย่างนั้นก็ให้รู้ค่อยรู้สติอย่ยาทิ้งเลยอืจากนั้นแล้วมันจะเปลี่ยนของเขาจะเปลี่ยนของเขาถ้ากิเลสเน่ น, นะความกลัวเป็นกิเลสใช่ไหอคนอยากเป็นอีก อืออันนี้เป็นกิเลสั้งนั้นทนะีน่ะเหตุนั่นเนอะอันนี้ว่าเป็นภาษาเลยจะยกนิบอลเนี่ย น, นะกามาฉันทานี้บ อ, อมพยาบาทมันไปนโกรธใครมันขัดเครื่องอยู่ที่ไหนเออ ม, มัน ม, มีเป็นริตลสของใครก็เหมืนอน อุทาจากจากูก็จะกหึงฟุ้งซานลำาขานง่ว ง, งเหงาฮห้นนอนนั่งเลสสงสัยบูนี่มันเกิดขึ้นอือกิเลกกับที่เกิดขึ้นกับจิตมันอาศัยจิตจิตก็อกาศัยกายอยู่มันเล็บพ่วงพ่วงเข้ากันง่วงเหงา แค่นั้นบางคนเวลานั่งมันถึงนั่งนั่งนั่งไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เป็นสุขเส่ไหมล่ะเจริญเอาหัวลงโคกระดานลงหงายเลยนั่งเือนอะไรอย่างเงี้ยมันเจริญขาดสติดูนี่มันเลี้ยแต่ใครของจริญเจริของใครกีิเลนนุอบลมมามันแล้วจะไปจะเป็น ที่นี่เลยเลยต้องให้แก้ตัวเองของใครของมันสติตัวเดียวนั่นแหะสรมมสัญญามีสัมมัญญามีสติดูตัวเท่าผมทําอะไรอยู่ก็ะช่ า, ชางที่นี่ให้มันต่อเนื่องอีริบดย้อยแต่มันนับไม่โทษเดี๋ยวนี้ก็ต้องเขียนหนังสืออยู่กำลังทางานอยู่มีอะไรเนี่ยให้มีสติอย่าไปอดีตอย่าไปอนาคต ธรรมดามันไปใช่ไหมลนะ่ะจะไปยาไปก็บอกว่านั่นนี่นี่ว่านั่ปฏิบัติธรรมนะฝึกสติอยู่กับอารมณ์เรารูมปัจจุบันปัจจุบันวันขับรถก็เหมือนกันอยู่ปัจจุบันปัจจุบันทา น, านาข้าวมีอะไรหลากหลายอารมณ์ให้อยู่ปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบนัน หาวิธีให้ต่อเนื่องอให้ต่อเนื่องอแล้วมันจะแก ก, ก, กล้าเป็นเร็วอืเราจะไปนั่งอย่างเดียวเก อ, อนั่งเอาเลยละ่ะอย่างไง้ใช่ไหมละ่ะสช่ไหมจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมจะเอามันเลยบางคนก็จะนว่นเอาหากักหักดั้มปลาเส น, นาแข่งเลยอย่างนี้นใช่ไหมไม่ได้ไม่เป็น เออเข้ามาแล้วแนตะ่ที่พี่ท่านหาเข้ามาแล้วนะจะให้มันได้เหมือนนไม่เป็นเออความจริงหลักที่ประทานเป็นยังไง น, นนะคือเราเราได้ไม่ยังผู้ปฏิบัติพวกเราปฏิบัติทำทั้งหลายเนะี่ที่ตั้งเป็นชมรุมอะไขึ้นมายังไม่เสี่ยวยังไม่เสี้ยวที่ทุกพระเจ้าสอนไว้เลยคือเข้าใจนะออ สิที่ปธานสี่กายเวทนาจิตธรรมนะว่าสีเรื่องเท่านันแหละกายละที่เนะี่ยอืมอิริย บ, บททั้งหลายอืมทั้ง4อีกหนุนใช่ไหมล่ะอืมยังไงผมคนเรียบวันหนังนี่นว่ากมาอาการ3ามีองมีอีกใเรื่องนั้นใช่ไหมละ่ะอื ม, ม, ม น, นับขมดเลยอืมปฏิกูล เมื่อนับเข้าอีกหนุนหลากหลายที่ขย า, ายเลยสินะเนีเรื่องเรื่องเรื่องกายอิริยาบถอืมเนี่ยนั่นจะถ้าใครไปอ่านาในสรรติปัฏฐานอิริยาบถพระพานเะนี่ะท่านอธิบายไว้เปของนะอืมออิริยาบถนี่นนมันได้ซ้ําใครเลยเนะ่ตัวใครตัวมันของใครของมันเลยเออเอาเฉพาะเฉพาะเฉพาะมันเฉพาะ เพาะของเราเดี๋ยวนี้เราทําอะไรอยู่นี้ทำอะไรนะงานของเราเรืองของเราจุดปัจจุบันปัจุบมันจะต่อเนื่องไม่ขาดตอนนี่นั่นเห็นนั่นน่ะเวลาปฏิบัติทั้งจะบอกให้ต่อเนื่องทุกพรนธสัญญยกทุกลมหายใจทุกียาบทนรแก็ว่ากันไปภาษาใช่ไหมนะเออนี่แหละเห็นนั่นนะเห็นนั้นให้ฉลาดในอุบายวิธี มันอยู่กับเราหมดเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอะไรอยู่ทำอะไรอยู่นี่เนี่ยเพียบแล้วอาบน้ำเข้าห้องน้ำมีอะไรหมดเสียไปหมดมแล้วแต่จะยกขึ้นมาสินาะอุยละอุบายแลยนะอูบายเรื่องปัญญาอะไห น, หน่อยอแต่ภาษาอุจล้ระภว่าโอ้โหของปฏิคูณเนาะเสียไหมล่ะ อ, อ, อาบน้ำก็ปฏิคูลไปเ อ, เ, อเอาของปฏิคูณออกออนนั้นไม่ใช่สมาธิสินะ่ะ ไ, ไม่ใช่อุบายสงบสนะเปอุบายเรื่องปัญญาสินะ่เข้าใจสินะ่นนนะเห็นนั้นสมาธิกับปัญญาให้ไปคู่กันอุบายสงบกับอุบายเรื่องเรื่องปัญญาให้ไปคู่กันแล้วแต่อารมณ์ตัวไหนจะเกิดขึ้นมา เออให้อำนวยนั่นดีไหมที่เห็นฉลาดในอุบายอืมจะใจะใช้จะใช้อุบายไหนอุบายสงบรูอุบายเองถ้าไปนั่งเข้าห้องน้ำนะจะใช้อุบายไหนหละเออเออกินมอุจรารมเข้าจมูกแล้วจะวจ่ายังไงเออใช่หล่ะอืมนี่นะให้ใช้อุบายเรื่องบมญคือยกเรื่องปฏิคูลขึ้นมา ก น, น, นะเออก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนอ้องเหมือนนอ้องอย่างงี้ถ้าอาบน้ำาหมืนสุกโปกอืมอือก็ให้มีสติทาอะไรถ้าจะยกอุบายเรื่องปัญญาขึ้นมาโอ้กายนี้มันสุกโปกนอนอยู่ในยกขึ้นมาได้เท่านั้ น, อ น, นอเออลือแต่ฉลาดนี่เห็นว่าฉลาดใ น, นอุบายเออ จะไปใช้อุสงบอย่างเดียวมันก็ไม่ได้อีกใช่ล่ะเนี่ยนี่คนันทำอะไรอยู่มันอี่งบดย่อยนั่นสมลกันสารพัดนั่นใช่ไหมล่ะทั้งปฏิกูลไม่ปฏิกูลยังก็ไม่ได้มาอาบน้ำส่งน้ำอาบอาบน้ำใช่ไหล่ะเออเขาไปชำราครองของสกปรกอ่ใช่ล่ะเออนั่นนี่นี่นี่นี่มัจะตามนึบไปเลยอืม ก็เสร็จแ้วก็มีอะไรบ้างมีแต่มีตั้งแต่อีรี่บท ย, อยนะ่อยเนี่ยเกิดใหม่มาเรื่อยๆไนต่างไมันจะโตเอ น, อนืองแล้วไม่ขาดตอนนี่เียแล้วเนี่ยอย่าให้ขาดตอนสติสมควรอย่ญญญาอย่าให้ขาดตอนอถ้าขาดตอนแล้วเนี่ยถ้าขาดตอนปุ๊บ มันก็ไปหากิเลสแลวนะกิเลส ก, ก็แซงป๊บอบเข้ามาเลยใช่ไหมละ่ะ ม, มันจะพานไปอดีตมันจะพาไปหาไหน อ, นะอนาคตมันจะพาปุ้มไปสิน่นะเอโลภะโท ส, สะโมหะใช่ไหมล่ะนั่นนะเอาป่านนั้นแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาปุ๊บก็ให้รู้เทันรู้เอามาสอนอีกเนะี่ย โอมันเก่งปนะน้องกิเลสตันหานี่มัน ắng, oo, oo, B, นะให้เรารู้ให้รู้ให้เรารู้มันไหวระวังอย่ามันอย่าให้เกิด ไ, ไอความเครียดขึ้นมามันจะเกิดความเครียดขึ้นมาอีกใช่ไหมเวลาเราปฏิบัติไม่ได้เราปฏิ บ, บัติสารพัดใช่ไหมเออเนี่ยเหตุนัน่นแหะนิวรมนจะเข้ามาอีกเห็นไหมข้ามาจฉันทะนิวรอืมอืมเกิด โทสะนี่ขัดเครื่องเลยเนี่ยเราบเราทํมาม่ได้ใช่ไหมล่ะเห็นเห็นเห็นนิโมนเข้ามาไดแต <c oughs> ่กูเจอจากจากูเจอทีน่ามิทะ ข, ขึ้นมาเป็นขึ้นมาเป็นหลากหลายแล้วเซนะเอี่ยมันมันเกิดขึ้นมาความจริงเลยอุบายอุบายเนี่ยจะจะปราบนิโมนถ้านิโมนสงบ สามารถอือสามารถแล้วสินยตามติดอยู่ตลอดต่อเนื่องไม่มีระหว่างขั้นเลยนลดมันสามารถตามทสติสมปชัญญานั่นหละมันจะเข้าสมาธิได้แต่ ว, ว่าไม่ใช่เราแต่งนะมันเป็นเองมันเป็นเองมันจะเปลี่ยนเนอง มันจะเป็นสมาธิหรือมันจะเกิดปัญญามีอีกเขาจะแน่นี้เนี่ยนี่มันเรียนนั้นสมาธิอุบายสงบก็ไว้เรียงเรียงปัญญาไปคู่กันแต่เราถึกไปแล้วมันสันทัดตัวไหนมันจะเกิดขึ้นมาเองมันจะไม่เข้าสมาธิมันจะเข้าไปอยู่ในไอคุณิกาอุปจารแล้วแต่แล้วมันจะเกิดปัญญาเขาทางานไปมันจะไม่เข้าฌานอยู่ยังไง มันไม่เข้าไปในอัปปนาถ้าเข้าไปอัปปนานะั้นมันจะไม่ทํางานจิตจะไม่ทํางานกูบอกอยู่แล้วว่าอัปปนาชาลคือเพ่งเข้าไปเพ่งอารมณ์อยู่เพียยเพี้ยเหมือนนอนหลับธรรมชาติจิตเป็นเงนินให้เข้าใจสินะไมเขามันสงบเย็นอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะอเงี้ยนี้นนะเอกคตากับอุเบกานะเขอามันไเพ่งอารมณ์อยู่ภายใ น, ใน ฉันในใช้กำาเพง่งรู้จุดสองเรื่องเท่านั้นจากเพราะภายในนะ น, ยนั่นนะเห็นนนจิตอยู่ในขนาดนั้นนไหท่านเรียกว่าแมท่านเรียกว่ า, หวามหกะัอืมความเป็นใหญ่ของจิตมันไม่กลัวที่อะไรทั้งใ น, ในโลกมีอำนาจมากอืมโอวิริย์สงบระงับหมด เป็นมหากุศล น, นั่ น, นท่านก็กว่าเป็นมหากุศลเอเอามาคาตะกับความยิ่งใหญ่าภาษาเรียกไม่มีไม่มีความกลัวที่ไหนโลกเพราะเพราะว่าผู้กลัวคืออวิชชาเพราะอวิชชาสงบระ ง, งับสินะเข้าใจสินะอวิชชาน่ะมหลงเงินแห่งนะทั้งโลภะโทสะมุหมามันสงบระ ง, งับ อากุศลสงบระ ง, งับบุญใช่ ส, สงบระ ง, งับอืรอืมันเขาบอกเขามข า, ขานอนมันก็เข้ามานอนเนื่องอยู่ในสันดา <c oughs> นเหตนเวลาเดินไปสนามมั น, ก, มน ก, ออก็มันก็ออกมันก็ออกยังออกมาอยู่นะั่ยเพราะมันอยู่ที่จิตใช่ไหม ม, มันเกิดที่ขึ้นที่จิตเป็นอารมณ์ที่เศ้าหมอง อ, มอารมณ์ที่เศร้าหมองขุ่นบัว โน้นจนถึงพระอนาคามีมยังมีกิเลสอยู่ยังฆ่าไม่ได้อแล้วยิ่งละเอียดเลยเนี่ยพระอนาคามีก็ไปยังไปไม่ได้ยังไม่ถึงนิพพานพระิจุลพรหมโลกสุทธบัตพรหมนั่นเห็นไหมนะีม่ยกตัวอย่างเลวงพ่ยังฆ่าพูดง่ายแล้วว่าเหลืออวิชชาอืม เนืทามันละเอียดขนาดไหนทต้องอาศัยอรหัตจำมัคยานัออนาคามีต้องเลื่อนไปห้าห้าชั้นเพราะยากและเกินป ร, ปรว า, าวิชาทุกวิชานยากและเกินเลื่อนขั้นไปอวิหายังไม่จบอจัตปา เดินขั้นไ ป, ไปอีกชั้นอีกอตัตาปายังไม่จบอีกอันตรมาสุทัิษาสุทสธายังไม่จบสุทธสีสุทธีไม่จบอาการกนิธาขึ้นไปห้าชั้นแต่ละชั้นนี่อายุไขได้เท่าไหร่กี่มหากับไม่จบง่ายเในนีไไ้ไหมนิวายฟังดูน่ะถ้าเก่อนถ้าถ้ า, ถายังไม่หมดนะเนี่นี เรื่องกีรเรียนมันมันไม่มได้ง่ายเลยอืก็พอ ร, รู้แล้วเนาะปรับยากเกินเนาะ <c oughs> ไม่มีอะไรก็แต่ความจริงอะความจริงก็ไม่ยากอยู่นี่แล้วไม่ต้องไปค้นหัวหาที่ไหนเลยไม่ต้องลงทุนแม้แ่หึงเดียวก็ไม่ลงทุน <c oughs> เข้าใจนะไม่ได้ลงทุนไม่ใช้เงินใช้ทองอมไมไ่ใช้อุปกรณ์อะไรเลยฝึกสติอย่างเดียว ง่ายมากมากเลยนี่พูดพูดแล้วง่ายนะยอมรับไหมออ่ <c oughs> าจะคิดแล้วโอ้ชีวิตของเรามาหาอยู่หากินเนี่ยเห็นไหมทุกคนมีงานทั้งนั้นเลยหากินทั้งนั้นเลยเพื่อกิก็อาศัยผู้อื่นรับจ้างเขาใช่ไหมจะรับจ้างอยู่นอนชักบันไดสิเนี่ยมาจบเนาะ <c oughs> นนน่ยต้องอาศัยผู้อื่นโอ้ไม่จะยากขนาดไหนสินะ ถ้าปฏิบัติทำํำตามหลักคำสอนผู้ใหญ่ไม่ต้องอาศัยใครเลยทําเอาเอ ง, <c oughs> งเข้าใจสิน่ะอยู่นี่หมดแล้วให้มาปราบโลพาตัวสามโมหะท่านสามารถปราบโลพะโทวสามโมหะได้ก็ถึงนิพพานเลยสุขวิปัสสโกเตวิโชชละพินโยปฏิสัมพิทัปปตุสามสี่ขั้นนั้นแล้วแต่แล้วจะหลีนนิสัยมันจะไป <c oughs> เข้าใจนะ <c oughs> นเห็นว่นาการขยันขยนันขยนัขยน แล้วเวลาภาวนาไปเวลาปฏิบัติให้สอนเดี๋ยวนี้เห็นไหมเหตุการณ์ของโลกอะไปเอามาได้ห น, นูข้าข้ากันดุนเอามาสอนสอืมสวนตัวเองจะมามัวอยู่นี่หรอโลกโลก น, นี่เห็นนั่นเห็นนั่ น, น, านภาษาภาษา ส, สุภาษิตนัน้โลกอืมกำลังมืดมัวอยู่ กำลังฆ่ากันอยู่กำลังลุ่มลงอยู่สู้เจ้าจะมาโม อ, อะไรอยู่ <c oughs> นี่เนี่มาสุภาษิตนะเหมือนใช่ไหมล่ะเราก็ยกอันนี้ขึ้นมามาสอนเออเอามาคิดได้เธอเอามาเอามาสอนเราเดี๋ยวเราละ่ะเขาบอกสุภาษิตเขาบอกว่า อ, อตราเหตุโน้นาถัวต้องทำเอาเองนะจะไปพึ่งพระพึงพ่งสง อย่างดีที่สุดทก็มันม้ว่าให้ผังว่าเป็นภาษาเท่านั้นเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเราตถาคตเป็นแต่ผู้บอกเท่านั้นสู้เจ้าต้องทําเองมันเป็นหลักกรรมถ้าสู้ไม่ทกาก็แล้วแต่พระพุทธเจ้าช่วยไม่ได้ปล่อยทิ้งไว้เต็มหมดเลยนี่พวกนี้พระพุทธเจ้าปล่อยทิ้งไว้เลยนะไม่สอนตัาเลยผมะพาไม่สอนเพะบอกแล้แหละบอกบอกแล้วไม่เชื่อ ใช่ไหมล่ะหยิบเอาดอยดเดียวอยู่อยู่ในอินเดียเนี่ยะเหลือนั่นก็เหลือมันเหลือเท่าไรเท่าไร่ยนั่น้อยลอไปอืมมหลักคำ่างนี้จศรัทธาในลูกทศราชาะก็บอกเลยว่าศรัทธาพระพุทธเจ้านะเชื่อบรุมคุณนะอืเพราะว่าเป็นพระพุทธเจ้านะแต่สรุปจจะทำจริงมืนรู้ทำเนี่ย ธรรมกามมัตราสถานเชื่อว่าทำำําคําสือพุทธเจ้านี่ยแปดหมื่นสี่พันทานมันขันมันก็ไม่หี่ไหนมันก็อยู่กายลราหมดขุนยศนุ่งนณีมันเป็นชื่อเรียกกันไปจังนี้หมดแต่ของเรามันมีอะไรบ้างนะของดีๆไม่มีนะมีแต่ของเร็วๆทั้งนั้นอยู่อยู่กับเราเนาะเ <c oughs> นี่ยนะกรรมเศรษฐาเชื่อการกระทําต้องคําอืม เงื่นสั้นว่าต้องทําที่มาว่าปฏิบัติปฏิบัติมาในภาษาเรียกอย่นี่ก็หลักคำตัวเดียวมันก็ทําค้นตัปฏิจิตเจตนากายกรรมามเมกี้กรรมสี่มนุษกรรมสามอุทุนขยายไปแล้ววันนี้เชื่อขันกระทำขันท่ากระทาแล้วนี่มันไปขอใครไม่ได้แล้วต้องทําเอาเองนี่มีลราภาวานานให้ส่วนขโมยส่วนเอง ให้ยอมรับเลยถ้าเราไม่ทำํำเราไปขอได้ไหมเนี่ยไปขอใครได้ไม่ได้แต่อยู่เดี๋ยวนี้ก็หายใจเอาเองไปขอลมหายใจใครได้เงี้ใช่ไหมไปขอชีวิตใครได้ของใครของมันกินก็กินเองเนี้ยใช่ไหมมันชัดบอกชัดบอชัดหมดแล้วนะเออในหลังนะเห็นไหมเนี่ยนี่วิปลากระสัทธาวิบาศ คือผลของการกระทาทำดีได้ดีทำชั่วได้สัวส่วก็บอกมาเป็นภาษาให้จับหลักนี้ขึ้นมาสอนเราใ ห, ให้มันยอมจํานวนซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้าแล้วอีกนั่นหละมันคอยจะต่อเนื่องว่ามันคู่กับภาวนาถ้ามันโอนเห็นไนะจังวันให้ยก อูบยเยงปัญญา่สงบกับอเงปัญญามาคู่กันเพราะใช้อู่ใบเงปัญญานะ่มาสอนอถ้าถามันอ่อนลงมันมีอะไรขัดข้องมีอะไรทำไปแล้วปฏิบัติไปแล้วนี่ใช้อูบาบเื่องปัญญามาแก้ ป, ปัญหาเนี่นั่นั้นไปไวอูบายเื่องปัญญากับอูบายสงบ Everyone. ให้มาคู่กันถ้าอูบใบสงบขัดขอาาอ้องใช้อู่ใบเงปัญญา ถ้าอุบายเป็เรื่องปัญญาขัดข้องให้ใช้อุบายสงบเข้าสมาธิให้มีกําลังนั่นใช่ไหมมันเหมือนกับเราเนี่ยแหละถ้าทํางานเหนื่อยแล้วให้มาพักผ่อนให้มาเติอมอาหารใช่ไหมเออมันมีกําลังแล้วค่อยทาตัวนี่ตะคีนลักเตียบเทียมแล้วอันเดียวกันอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันเออพอเข้าใจนะสี่เนาะเนาะเอาไปปฏิบัตินะ สิทธามาถัถุสิทธามาถัถุอีดังพลังขอจงสำเร็จขอจงสำเร็จทั่วนากันเถินสาธุ